สองขอย้ําแล้วย้ําอีกว่านิพานมีในปัจจุบันเท่านั้นซึ่งแท้แท้นิพานมีในปัจจุบันนี้ที่เป็นคนผู้มีอาการสามสิครบบริบูรณ์นี้เท่านั้นและต้องอยู่ในภาวะตื่นมีอายตนะหกทั้งภายนอกทั้งภายในครบอีกด้วยที่จะสามารถบรรลุนิพานได้ หากปราศจากการรับรู้แม้แต่ลมหายใจที่ยังรู้อยู่ว่าเรายังมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่ออกสั้นออกยาวเข้าสั้นเข้ายาวก็ต้องมีสัมผัสสัมพันธ์อยู่พร้อมถ้าขาดแม้แต่ลมหายใจเข้าออกนี้หลับหรือหลบเข้าไปอยู่ในผ้าว่าง ไม่รับรู้แม้แต่ลมที่สัมผัสเข้าออกอยู่ที่ปลายจมูกนี้เราก็ไม่รู้แล้วผู้นั้นถือว่าไม่มีกายแล้วไม่มีปัจจุบันแล้วไม่มีภายนอกแล้วจึงถือว่าไม่มีสัมผัสวิโมก8ด้วยกายหมดสิ้นเชื้อสุดท้ายแล้วก็จะเป็นผู้ไม่สามารถทำให้อาสะวะสิ้นไปหมด จากกิจบริบูรณ์ได้เลยและต้องมีครบรู้รอบอยู่พร้อมทั้งภาวรูปที่มีทั้งรูป28อีกด้วยขอย้ำนะว่าต้องเป็นปัจจุบันนี้เท่านั้นขาดกายไม่ได้เลยหากลงว่าหลับตาเข้าไปกำหนดรู้กำหนดเรียนเอาในขณะที่อยู่ในผวังนั้นก็หมดสิทธิ์รรมนิพพานไม่ได้เด็ดขาด ธรรมนิพพานได้ขณะลืมตาในปัจจุบันแจ้งแจ้งเห็นการด้วยจากขุปัญญาญาณวิชาแสงสว่างกันจะจนี้เท่านั้นจึงเรียกว่าทิฏฐธรรมนิพพานทิฐิที่แปลกันชัดคือผู้มีทิฐิความเข้าใจความเห็นว่านิพพานเป็นเรื่องของปัจจุบันเท่านั้น คำว่าทิฏฐะธรรมก็แปลกันชัดอยู่แล้วว่าธรรมะที่เป็นปัจจุบันทำได้อยู่แต่ในปัจจุบันนะไม่ใช่ทำได้ในกาะนละอื่นเวลาอื่นนอกจากกาละแห่งปัจจุบันไม่มีนิพพานในที่ใดในกาละอดีตทานิพพานไม่ได้ในกาละอนาคตทำนิพพานไม่ได้ ต้องชัดเจนแม่นแม่นในความเป็นกาละให้คมคมชัดชัด